ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคมังนำเสนอคำสอนของพระสาดีบุตรเทระที่เรียกว่าผู้ประพฤติพรมจรรย์ทั้งหลาย คี่หมายความว่าสอนพุทธบริษัทนั่นแหละเพราะว่าพรหมจรรย์มันก็ทั้งส่วนของพระและส่วนของชาวบ้านพรหมจรรย์ก็เริ่มจะทานขึ้นไปนะฮะปุกสี่ห้ากอับปัจจายณมัยปุกุยาวัจจไมัยปุ ก, กสี่แปดปกอปมัญญาเนี่ย น, นะ คือก็เป็นธรรมะทั่วๆไปนั่ก็รวมไว้เป็นชุดหนึ่งเรียกว่าพรหมจรรย์วันก่อนที่ได้พูดถึงประเด็นแรกก็คือว่าอยู่ในข้อที่981ลำดับที่981ว่าบุคคลใดสำรวมกายเป็นต้นสงบเ ง, งียบมีสติ มีความดับริชอบมีปกติเพ่งพินิษไม่ประมาทยิน ด, ดีในอารมณ์ภายในคือกรรมฐานมีจิตตั้งมั่นดีแล้วอยู่ผู้เดียวยิน ด, ดีด้วยปัจจัยตามีตาได้นัะปราชญ์ทั้งหลายเรียกบุคคล น, นั้นว่าภิกษุทีนี้ประเด็นว่าภิกษุนี เราโดยความหมายในแง่ของธรรมะก็หมายถึงท่านที่มองเห็นภายในการต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็เพี่ยนพยายามปฏิบัติที่จะทำตนในดุพจนจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏซึ่งก็มีทั้งส่วนที่เป็นชาวบ้านแล้วก็ส่วนที่เป็นนักบวช ความหมายเหล่านี้เหมือนกับความหมายเวลาส่งแสดงขบพระภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้เจาะจงภิกษุหรอกเพียงแต่ว่าภิกษุตั้งอยู่ข้างหน้าชาวบ้านนั่งอยู่ข้างหลังก็ขึ้น้นที่ทรงนี้ขึ้นรถที่สรงภิกษุ แต่ผู้ฟังร่วมทั้งหมดจะเป็นใครก็ตามไปชี้ว่ารับสั่งแก่บุคุนนั้นและเป็นหลักการปฏิบัติสาหรับบุคุนนั้นด้วยในภาคของการประพฤติปฏิบัตินั้นใครจะได้ทำมากน้อยแค่ไหนเป็นไรก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นแต่ต้องเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องเจาะจงแต่เป็นเรื่องกฎของธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา เป็นการแสดงทางเสื่อมทางเจริญให้บุคคลทางหลายทราบไว้ละทางเหล่านั้นเขาก็มีอยู่ก่อนก่อนทีมน่มนุษย์จะเกิดขึ้นในโลกไลยซ้ำไปแ ต, แต่ว่ายังไม่มีผู้เดินทันนี้นเปนิเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นปัฒนาการของมนุษย์ออกมาสองทางคือผิดกับถูก สรงเหตได้เกิดความเสือ่อมมาสร่างเหตุได้เกิดแต่ความเจริญก็ซ้ำรอยเดิมอยู่ตลอดนะบนเส้นทามประวัติศาสตร์เนี่ยซ้ำรอยเดิมอยู่ตลอดจนว่าการแก่แต่แย้งสามัคคีกันในหมู่คณะเดียวกันก็นําไปสู่ความพิบัตินําไปสู่การสู้รบการข่มขู่การทําลายล่างกันอย่างเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ย เวาเรา nan ถ้าเรามามองในมิติของธรรมะว่าตรงนี้เป็นอาการของธรรมะอะไรอังตรงนี้เป็นอาการของธรรมะอะไรตรงนี้เป็นอาการของธรรมะอะไรเราจะเห็นว่าเหตุให้เกิดความแตกแยกแล้วจนทําลายสามัคคีเพศกันนั้นมันก็เป็นอาการของราคาโลปาโตสัมโมหะฤิสยะเบียดเบียนโกรธเคือง ก็เครือกิเลสทั้งหลายนั่นแหละแล็เหตุให้เกิดความสุขความเจริญมันก็ไม่อื่นไปจากจิตที่สงบจากกรรมราคาสงบจากโลภะสงบจากโทสะสงบจากโมหานได้ก็มีทิศทางในการดาเนินชีวิตแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกส่วนของโลกแล้วก็ทุกๆสมัย ข้อที่982ท่านกล่าวว่าภิกษุเมื่อจานอาหารจะเป็นของสดหรือของแข่งก็ตามไม่ควรจะคิดใจเกิดไปไม่ควรจะติดใจเกินไปควรเป็นผู้มีท้องพล่องมีอาหารแต่พอประมาณมีสติอยู่ข้อนี้บพงสังเกตว่าการรับประทานอาหารนั้น มันจะเป็นของสุกหรือของดิบของหยาบหรือประณีตก็แล้วแต่แหละแต่ว่าถูกประสงค์จริงๆก็คือต้องการบรรเทาความผิวเก่าของกันความผิวใหม่ให้ร่างกายมีกําลังมีเรียบแรงในการดํารงชีวิตในการปฏิบัติภารกิจการงานได้ถ้าสําเร็จประโยชน์ก็คือสําเร็จประโยชน์ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปสร้างความพอใจว่ามือ้อนี้อาหารอร่อยอ น, นั่นก็น่ากินนั้นนี่น ก, นนนก็น่ากินนั้นโนก็น่ากินกินมากไปจนเกินความจําเป็นแล้วในที่สุดก็มีปัญหาก็คืออาหารไม่ย่อยเกิดปัญหาในช่องท้องแล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องง่วงนอน ต่อฐานย่อยเรียบร้อยมันก็มีพลังในทางเพศเกิดขึ้นโอกาสที่จะประพฤติผิดในศีลข้อที่สามมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นที่บอกว่าทาให้ท้องท้องมันพล่องคือรู้สึกพอดีพอดีอ่ะไม่รู้สึกกระอิ่มจนตื้อแต่ไม่รู้สึกว่ายังหิวโหอยอยู่ แล้วก็กินของหวานรับประทาดื่มน้ำก็จบจบดื่มน้าไปเสร็จแล้วแปรงฟันแล้วเนี่ยยังรู้สึกร่างกายมันเบาจะทำให้เกิดอาการคล่องแคล่วในการทำงานอะไรก็าตามจะเป็นคาราวาทหรือจะเป็นพรากก็าตามถ้าระดับของการปฏิบัติกรรมฐานท่านจะสอนขึ้นไปยิ่งกว่านั้น ก็หมายความรู้จักประมาณคือพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากเกินไปไปเกิดนิวรณ์ข้อกรมฉันน้อยเกินไปไปเกิดนิวรณ์ข้อกุ ก, กุจจะก็คืองุนงดก็คือรำคาญเดี๋ยวในสุดอาการก็เต็มที่ก็กลายเป็นโทสะพยายามบักเป็นโมโหหิวที่เราเรียกว่าโมโหหิว จะมีความรู้สึกที่แรงกุคุมสติไว้ไม่อยู่ติเการพอประมาณเนี่ยมันก็ต้องมีสติระลึกแล้วก็บอกตัวเองตัดสินตัวเองว่าพอแล้วขนาดนี้พอแล้วสามารถยังอัตภาพไปเป็นไปไม่สุดโูมได้แล้วขอ้อที่เก้าร้ยแปดิบสามท่านบอกว่า ภิกษุฉันอาจารอาหารอย่างอีกสี่ห้าคำจะอิบควรหยุดสันและดื่มน้ําแทนตอนนี้ก็เป็นการเพียงพอเพื่ออยู่อย่างสบายสําหรับภิกษุผู้มีจิตมุ่งพระนิพพานอันนี้หมายความว่าระดับที่เราต้องการปฏิบัติคือเน้นการปฏิบัติพัฒนาจิตเป็นหลักคือปัการปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องการอาหารมาก มันผิดกับการศึกษาเ่าเรียนซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงใช้สมองมากคิดค้นมากทำงานหนักนพราะพวกนี้จะฉันอาหารมื้อเดียวไม่ไหวครับมื่อท้าจะไปไม่รอดแต่จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับช่องท้องเนี่ยแต่กรรมฐานานั้นถ้า่าควรรับประทานอาหารมากเกิดไปท่านก็ไปแก้นิวรณ์ไม่ได้ ภาษาริบุตรบอกว่าอีก4ี่หรือห้าคำแต่ประตย น, นี้ก็ที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะก็มีนะไอ้หรือห้าคำเนะี่ยก็หมายความมาแสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็รับประทานแล้วก็ดื่มน้ำนะคือหมายความว่าจากของหวานมาแล้วเนะี่ยยังเหลืออีกสักสี่ห้าคำจะอิ่ม ก็ดื่มน้ำแล้วก็ชื่อว่าเป็นการพอเพียงสมรับที่บำเพ็ญเพียรโดยมุ่งต่อพระนิพพานเพราะถ้าหากว่าต้องการจะไปนิพพานแต่ยังเห็นแก่ปากแก่ท้องอยู่นี่คงไปได้ยากเป็นเป็นวัดปฏิบัติประการหนึ่ง เป็นการบอกดล่าวชี้แนะทางที่ถูกต้องให้แต่ขึ้นอยู่กับฐานะของคนนะนี่พูดถึงคนที่มุ่งสู่ปณิพานส่วนไม่มุ่งสู่ปณิพาน์าก็ตามอัธยาศัยแต่ถ้าสมัครใจที่จะเดินไปสู่เส้นทางของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเริ่มจากศีลแล้วตรงเนี้ยอย่าที่พระเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่สาไว้ แล้วก็มาข้อที่หข้อที่เจข้อที่แข้อที่9คือสข้อหลังเนี่ยไปสนับสนุนข้อที่สามเพราะข้อที่สามนั้นพอมาถึงศีลแปดเนี่ขาเป็นอาพ ร, รมมัจริยคืองดเว้นจากการประพฤติในเรื่องเพศคือการมีเพศสัมพันธ์กันแต่ถ้าไปกระตุ้น ร่างกายให้มันมีอาหารมากขึ้นแล้วก็ตุ้นจิตใจให้สัมผัสอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็กลายเป็นกระตุน้นนะครับไอเราสัาเกตว่าการพร่นํำขับร้องประโคมดนตรีดิซีที่เปล่านั้นก็ เป็นการกระตุ้นความกำหนัดทางเสียงแล้วก็ทางจิตคือจิตจะต้องคิดไปตามเสียงเพลงที่ตนบรรเลงหรือเสียงเพลงที่ตนร้องคือต้องให้กขถึงอารมณ์เพลงกขถึงอารมณ์กดนตรีหมายความว่าจิตจใจก็จะต้องเกิดความรักความประทับใจในดนตรีแล้วเกิดจินตนาการ ไปตามเสียงร้องเสียงดนตรีต่างๆการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบของดอกไม้ของหงม์เพื่องยองเพื่องทางก็มีลักษณะอย่างนั้มันกระตุ้นให้ปรารถนารูปเสียงกลิ่นรูปกกลิ่นนะฮะรูปกลิ่นแล้วก็จะรู้สึกพอใจสยบติดในรูปกลิ่น การนอนบนที่นอนสูงใหญ่ก็เป็นเรื่องสัมผัสมันกระตุ้นสัมผัสและอยากจะสัมผัสที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแต่แทนที่จะนอนอยู่คนเดียวบนเตียงคนเดียวขนาดใหญ่ก็คิดเลยไปถึงจะให้มีคนอื่นทีเนี้ยมันก็จิตมันกำเริบเป็นเปียดมันแปรผันวันีนก็ไปช่วยกัน เพื่อษาสิงข้อที่สามเอาไว้เนี่ยสี่อีกสี่ข้อก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วมันเสริมพลังไปในทางของสมาชิรเราเห็นว่าไม่ เ, เป็นการบ ร, รรเทาปุกรามฉันซึ่เป็นิีบอนข้อที่หนึ่งเเรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกัน ข้อต่อไปข้อที่เก้า้ยแปดสิบสี่ท่านบอกว่าถ้าจีวรที่เป็นกัปปิยะปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดได้จีวรนี้ถือว่ามีประโยชน์เท่านี้ก็เป็นการเพียงพอเพื่ออยู่อย่างสบายสำหรับภิกษุผู้มีจิตมุ่งพรนิพาน คือเราจะเห็นว่าการนุ่งห่มของพระนี่เน้นที่การปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดคือถ้าไม่มีการปกปิดแล้วมันจะเกิดความละอายสมุทรบาลีเรียกว่าจะยังความละอายให้กำเริบเพือจะเกิดความละอายขึ้นมาภายในใจก็ปกปิดไว้แต่ข้อตํางการว่าผ้านั้นเป็นกัปปิยะคือได้มาในทางที่ชอบธรรมถูกต้อง ทางวินัยแล้วก็ธรรมะหรือไม่ผิดวินัยแล้วก็ไม่ผิดธรรมะจะประณีตจะหยาบจะกลางจะประณีตจะเก่าจะใหม่จะสวยไม่สวยไม่จะประเด็นแต่ประเด็นมันก็เน้นที่เป็นกัปปิยะคือควรที่พระจะใช้ได้ทีนี้มันก็กลายเป็นสันโดษในเรื่องจีบอ่อน ข้อแรกก็คือสันโดษในเรื่องมักน้อยในเรื่องอาหารนะฮะมักน้อยในเรื่องอาหารแด็กก็สันโดษใจจีวรตามที่มีตามที่ได้ตามที่ครอบครองดูอันนี้ก็เป็นแนวอริยวงคือวงของพระอริยพระอริยผู้สืบสารวงของพระอริยะนั้นจะต้องสันโดษในปัจจัยสี่ ถ้าเราเกิดไม่สันโดษขึ้นมาสักข้อนี่ก็ยุ่งแต่ถ้าเราสนโดษเราก็อยู่ได้ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีผ้าเฉียงบาพืนเดียวไม่มีผ้าห่มก็มีผ้านุ่งแล้วก็ผ้าเฉียงบา ก็เดินพุงพุ้ยนะฮะแต่พราะเราเห็นว่ามันควรปกปิดเป็นอวัยว า, า ท, ที่ควรปกปิดอพอถึงเวลาเข้าบ้านมันก็โปรยเฉพาะมือส่วนหนึ่งแล้วก็คลุมที่คอคลุมคลุมไหล่แล้วก็คลุมถึงคอแต่ตอนตายก็เท้าก็โปรดนิดหน่อย เขาั่งก็ปิดเท่าได้ทั้งหมดการแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะป้องกันปัญหาอะไรต่างๆได้เยอะปัญหาทั้งเศรษฐกิจก็ดีปัญหาทางสังคมก็ดีปัญหาดุอา ก, กรรมก็ดีแต่ชาวบ้านเราทางที่ภาพผ่อนเยอะบางทีก็แต่งตัวเสียไม่สามารถปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดได้ แต่ก็ขาดความสานึกลอายมันก็กระตุ้นปัญหาเดยกรรมอย่างที่เรารู้เราเห็นกันปัญหานี่เรารู้สาเหตุกันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แก้กันดบขาดการสรํารวมระวงังมุ่งที่จะตอบสนองราค า, าตัะหนาต่างๆตามความปรารถนาของเร แต่ว่าของพระนั้นกำหนดเป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตให้กิเลสมันลดลงไปบรรเทาลงไปแล้วข้อสุดท้ายั้งปรใชกคบเหมือนกันว่าสมบภิกษุผู้มีจิตมุ่งปณิพาณคนที่มุ่งปณิพาณจริงๆ จ, จ, จะต้องเดินตามปฏิปาสรานี้อย่างน้อยก็ ไม่ตกเป็นท่าของปัจจัยสี่ปัจจัยสี่มันเป็นเครื่องอาศัยในการครองชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตแต่มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการครองชีวิตเพราะถ้าเราขาดปัจจัยสี่ด้วยประการทั้งปวงชีวิตก็อยู่ไม่ได้แต่ว่ามันมีมากเกินไปมันก็เป็นภาระเป็นเรื่ององงงวดนํามาสู่ปัญห า, าต่างๆอีกเป็นนันมาก วันทำอย่างไรเรียกว่าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปในข้อที่986ท่านบอกว่าปิสุไดวพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกสอนไม่มีความถือมั่นว่าเป็นตัวตนในอทุก ข, ข, ข์กามสุ พิสุจนนั้นจะไม่มีกิเลสอะไรอะไรผูกไว้ไว้ผูกไว้ในโลกได้แล้วและจะมีอะไรอีกแล้วมาความตั้งใจไปขนาดนั้นนะฮะใจไปได้ขนาดนั้นจริงๆคือสุขเวทนานี่ในแง่ความจริงมันไม่ใช่เป็นอาการความทุกข์ที่มันลดลงลดจนอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราสบายขึ้น ดีวก็ียกว่าสุขเวทนาผลต่มองตามความจริงเขาคือทุกระดับหนึ่งคล้ๆกับความร้อนในโลกนี่ไม่มีมันมีแต่ความเย็นนี่เครื่องวัดความเย็นไม่ใช่มีเครื่องรักวัดความร้อนนะฮะวัดความร้อนมันมีแต่ความร้อนไม่มีความเย็นแม้แต่เลยศูนย์ไปแล้ว ลบศูนย์หายไปแล้วก็ยังเป็นวัดความร้อนว่าความร้อนลดลงไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพอ ล, ลดลงถึงจุดหนึ่งเราก็เรียกว่าอบอุ่นลดลงถึงจุดหนึ่งเราก็เรียกว่าเย็นลดลงถึงจุดหนึ่งเราก็เรียกว่าเย็นจัดหนาวจัดแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นอาการของทุกข์ที่ลด วันชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเป็นข้อเป็นกองทุกเป็นค้อทุกแต่เวลาประสบเวทนาที่ไม่แรงเนี่ยเราจะรู้สึกพอใจรู้สึกติดใจ ย, ยินดีในเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆ้เราก็กำหนดเป็นอุปท า, านนะฮะยึดมั่นหรือมั่นเราเป็นสุขแล้วก ง, งลองดูลำดับที่ทรงเรียงไว้ในปฏิจจสมบัติ เราเห็นว่าเวทนาตัณหาอุปาทานหมายความมเราเสวยเรารู้สึกม็นสุขและเราก็อยากให้มันดารงอยู่แล้วก็ยึดติดให้มันเที่ยงแท้แน่นอนปรากฏว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ถึงจุดหนึ่งเขาก็แปรผันไปตามสภาพของเขา ความรู้สึกทว่าเป็นสุขก็อาจจะลดลงหรืออาจจะหมดไปหรืออาจจะเป็นอาการทุกข์ที่เสียดแทงชัดเดนถึงตามปกติแล้วเราก็ถือว่าเป็นทุกขเวทนาทีนี้ทุกขเวทนาเราก็พยายามทนอ่ะทันยึงบอกว่าให้มองเหมือนกับลูกศรที่กำลังแทงเราหรือว่าบางถูกยิงมาหรือกำลังถูกเสียบเสียบตัวเราอยู่ มันก็จะปวดร้าวทุกทรมานมนาะแล้วในขณะเดียวกันพอมาถึงอัทุกขมาสุขคือสุขมันก็ไม่เด่นทุกข์ก็ไม่เด่นบอกว่าไม่มีความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในอนทุกขมาสุขก็สักแต่ว่าเวทนาเวินาที่บอกว่ามีก็สักแต่ว่ามี มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรพิสูจนั้นจะมีกิเลสอะไรผูกไว้ในโลกได้เร่าคือหมายความว่าจิตที่คิดได้อย่างเหี้ยสามสามสามจุดเนี่ยเราก็ประสบทุกวันทุกขณะโดยรําไปเพียงแต่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขก็มาสุขแต่นั้นเองแต่เราก็พบอยู่ทุกขณะพอทนอยู่ได้เราก็เดียยวเป็นสุข ก็เสียดทานแรงแรงเราก็เรียกเป็นทุกข์เพราะทัศน์ก็ไม่เด่นทุกข์ก็ไม่เด่นเราก็เรียกว่าทุกขก็ม่สุขเราเรียกมันนะฮะเรียกตามความรู้สึกนะเรียกตามความรู้สึกไม่จะตามที่มันเป็นเพราะว่าถ้าเอาตัวมันเป็นเป็นเกณฑ์ความอดทนของมนุษย์ก็จะไม่เหมือนกันหมายความว่าเชนเจออากาศขนาด เอาขนาดเท่าไรล่ะขนาดสิบห้าสิบหกเนี่ยองศาคนบางจุดบางคนก็หนาวแล้วนะคนบางกลุ่มที่เขาคุ้นเคยกับอยู่ในสภาพเป็นลอมอย่างนี้ก็ก็รู้สึกสบายนั่นก็แสดงว่าเอาคนเป็นเป็นเกณฑ์แต่ว่าการมองในแง่ของธรรมานั้นเอาความจริงมันเป็นเกณฑ์ ว่าความจริงที่เป็นเกณฑ์นั้นไม่เวทนาเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันอาการที่รู้สึกเป็นสุขกด็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นทุกขก็มาสุขกด็ดีนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการยึดมั่นถือมั่นของเราเอาตัวเราเข้าไปบวกไปมากเท่าไหร่เราก็เป็นสุขรู้สึกก็เป็นสุขเป็นทุกข์มากเท่านั้น ย่าบางนคนนี่ก็เรียกว่าละเอียดอ่อนผิบางเจอเลยนิดก็โอยเจอเลยหน่อยก็โอยมาดูก็เป็นทุกข์ไปเสียหมดแต่คนบางคนก็รู้สึกว่เรื่องธรรมดาก็คุ้นชินต่อในเรื่องแบบนี้คือที่สังเกตได้ด้วยตัวเองสังเกตได้ด้วยตัวเองคือตอนไปอยู่อินเดียหรือตอนไปเที่ยวต่างประเทศ แต่อยู่เนียก็อยู่นานนะฮะสองปีกว่าก็ทําให้เราคุ้นชินต่อความหนาวจะความร้อนจะมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆก็กลับมาสองสามปีแรกเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยอ่อนแอหรอกับกับกับความหนาวควาร้อนแต่ว่าเวลานี้มันมันไปเกิดอ่อนแอทั้งหนาวทั้งร้อนนะเราก็รู้สึกอ่อนไหว ร้อนเราก็รู้สึกอ่อนไหวแสดงว่าเออเราเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่มันคุ้นเคยอย่างที่เราเคยคุ้นเคยดังนั้นแต่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข็กมาสุขจึงเป็นเรื่องจิตกำหนดด้วยความรู้สึกยังไงด้วยการมาตัญหาด้วยพระวตาณาหรืด้วยวิภระวตาณาล่ะ หรือจิตมันไปยึดมั่นถือมัน่นตามตัณหาที่เราไปมีความรู้สึกต่อในสิ่งเหล่านั้นทัทง้งตั้งคำถามไม่คิดนะฮะว่าถ้าจิตมันเป็นอย่างนี้มันก็หากิเลสอะไรผูกไว้ในโลกได้แล้วแล้วจะม่จะมีอะไรอีกมันก็ไม่มีอะไรละ นั่นคือเป็นอาการสะท้อนสภาพจิตของคนระดับพระอรหันต์ข้อที่987ร้อยแปดสิบเจ็ดบอกว่าพิสุผู้มีความปรารถนาเร็วสามเกียรติคร้านมีความเพียนหย่อนได้สะดับน้อยไม่อื้อเฟื้ออย่าได้มีในสำนักของเราแม้ในการไหนไหนเลยจะมีประโยชน์อะไรด้วยโอวาทอะไรสำหรับบุคคลเช่นนั้นใน สัตว์โลกนี้บุคคลในหลายประเภทนี้ที่จริงท่านเคยกล่าวมาทีหนึ่งแล้วนะฮะเคยกล่าวมาทีหนึ่งแล้วแต่ว่ามาขยายตอนปลายคือผู้เร้ยคนละประเด็นแต่เอาคนนี่เป็นตัวตั้งว่าถ้าคนมีความปรารถนาเร็วซาบอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่คํานึงถึงความถูกความควร ไม่คำนึงถึงเหตุผลไม่คำนึงถึงบาปถึงบุญถึงคุณถึงโทษถึงประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถึงดีถึงชั่วถึงเสื่อมสึงถึงเจริญถึงเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้แหมคบยากแล้วก็พูดกันยากอยู่ร่วมกันได้ยากแล้วประกอบกับขีดคลานเลยก็ถ้าขีคลานมันก็อืดมันก็เฉ่ย มันอยู่ในภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะกันจะอ้างไายตลอดอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นอ้างปวดหัวปวดท้องอากไม่อาอกอ้างว่าไม่ว่างงานมาติดงานมากอะไรก็อะไรก็อ้างได้เยอะเวลานี้นี่รถติดอย่างเดียวก็เกียด์กิ๊กเกียรอ้างแล้วเพื่อนยอมทุกคนเนี่ย รถติดเยอะยังลองสังเกตเดี๋ยวนี้สอนหนังสือวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ก็ไปสอนที่ศารยาวันอาทิตย์ก็ไปสอนที่บางพลัดก็วันเสาร์นี่รถมันแน่นกว่าวันอาทิตย์ปรากฏว่าที่บางพลัดเนี่ยมันใกล้กว่าที่ศารยา แต่พอดีเราไปวันอาทิตย์มันก็ไปถึงก่อนเวลาเสียร่นเวลาลงไปเอาไปสายหน่อยไปสายจนเกือบจะถึงเวลาสอนนะฮะก็ไปถึงยังสายอยู่ยังยังยังถึงก่อนเวลาอยู่เพราะอาจารย์ที่อสอนก่อนยังไม่ออกดูนักศึกษาอยู่ในช่วงเธอออกมาพักแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น กว่าจะเข้าห้องได้เนี่ยโอ้ยบางทีเลยไปตั้งยี่สิบนาทีว่าจะกว่าจะเข้าไปได้แต่ว่ายังเข้าไม่ครบหรอกพอเราพอเห็นพอสมควรเราก็เริ่มสอนแล้วเพราะว่าตอนเลิกเนี่ยมันจํากัดจํากัดต้องไปนั่งกรรมฐานด้วยอีกระยะหนึ่งกว่าจะจบเรียต้องจบที่นั่งกรรมฐานเน่ยนั่งสมาธิ นี่ก็เราเห็นว่าถ้าเรายอมรับความจริงว่าวันอาทิตย์นี่คุณอ้างรถติดไม่ได้วันเสาร์ผัววันราชการนั้นแน่นอนแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อรถมันติดเราก็เพิ่มเวลาออกจากจุดที่เราอยู่ไปสู่จุดที่เราจะไป หมายความเราเวลาบวกเข้าไปแล้วก็ไปได้แต่ว่าการอ้างนั้นบางทีที่จริงมันขี้เกียจเราต้องการสบายๆก็ขี้เกียจแล้วก็ตัวใจมีความส ม, มิดสมผลนะครับเัวใจมีความส ม, มิดสมผลการว่ารถติ ปัจจุบนก็ตั้งข้อสังเกตในนักศึกษาเขาฟังบอกว่าชาวบ้านเป็นอันมากเนี่ยมาพูดว่าพระเทศเป็นภาษาบาลีความไม่รู้เรื่องเลยไม่อยากเข้าวัดไม่อยากฟังครับโดยไม่รู้ว่าตอนเขาสวดเนะี่ยเขาให้เกิดความสงบให้จิตใจมันจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมะเนี่ย กำหนดต่เป็นเสียงธรรมะเทานั่นเองแต่เวดากุเทศเนี่ยเขาสอนให้รู้เทศมันไม่มีบาลีนะยกบาลีมาแล้วกว็อธิบายต่อพระพระต้องเคารพพระสัทธธรรมไม่ใช่นึกจะหยิบอะไรมาพูดมาอธิบายก็ว่าเรื่อยๆไปไม่ได้มันต้องนึกธรรมะมออกด้วย น, ะนึกธรรมะออกด้วย ว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นธรรมะว่าไว้ายังไงเราพูดด้วยภาษาไทยธรรมดานี่แหละแต่ถ้าก็ถามมาตรงนี้มันตรงกับภาษาธรรมะในข้อไหนเราก็ตอบได้เพรทั้งหมดมันเป็นเป็นเรื่องของธรรมะดังนั้นคนที่เกียรคร้านเนี่ยมันจะนําไปสู่ว่าเวลาแกทํางานแกก็ย่อหยอน ไม่เอาจิงเอาจังนั่งแชะในที่นั่งยืนแชะในที่ยืนนอนแชะในที่นอนหรือวจะเดินก็อืดก็เฉื่อยก็เหนื่อยทำงานก็ช้าปว่าจะสำเร็จอะไรสักชิ้นสักอย่างเนี่ยยากทีนี้คนที่สดับมาน้อยคือเรียนรู้มาน้อยพื้นฐานทางการศึกาต่ำแน่นอนถ้าเราจะสอนเนี่ย ถ้าเฉพาะกลุ่มนี้มันก็ไม่เคยแปลกหรอกเพราะที่จริงคนส่วนใหญ่มันก็ศึกษาน้อยที่เข้าโรงเรียนนะเข้าชั้นเรียนคนที่มาเรียนประถมก็มีความรู้น้อยในประถมคนเรียนมัธยมก็ความรู้น้อยระดับมัธยมคนเรียนระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีก็มีความรู้น้อยในระดับปริญญาตรี เราก็สอนได้แต่สอนให้รู้มากขึ้นมาได้แต่ถ้ากรณีที่ปรารถนาลาโมกละ่ะกรณีที่แกเกียดคร้านละ่ะกรณีที่เกความเพียรที่ย่อหย่อนล่ะไอ้นี้รุนใหญ่แก่ยากเพราะว่ากลายเป็นนิสัยสันดานของบุคคลเหล่านั้นทีนี้ไม่เอื่งเฟือเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจครับแคบถ้าจะแก้เนี่ย ค น, คนเห็นแก่ตัวนะอย่าลืมคนเห็นแก่ตัวเนี่ยคนที่ไม่อึดเฟือ่เนี่คือคนเห็นแก่ตัวเป็นสุขจากการได้แต่ไม่ค่อยเป็นสุขจากการให้การณ์นนคนไม่อึดเฟือ่ต้าอาศัยระบบการสอนแล้วก็เสริมระบบการคิดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ให้แก่เรื่อยๆ แกอาจจะเริ่มมีน้ำใจขึ้นแต่ก็สรุปรยากเหมือนกันนะเพราะว่าพวกนี้ก็คือสนิด้วยท่านบอกว่าอย่าได้มีในสำนักของเราแม้ในการไหนๆเลยจะมีประโยชน์อะไร ด, ด้วยโอวาทอะไรสำหรับบุคคลเหล่านั้นในสัตว์โลกนี้หมายความพูดไปก็เท่านั้นเนะี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยใจนว่ามีจุดเดียวที่ทิพที่พอไหวเนี่ยคือจุดที่มีการาศึกษาสะดับฟังมาน้อยหมายความเหมาะสมควรแก่วัยของเขาไม่ใช่อายุตั้งเยอะแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้มันก็ชักยุ่งเมือกันประการต่อไปท่านบอกว่าอันเดิงภิกษุให้ภิกษุผู้เป็นผู้สูตรเป็นนักปราชญ์มีกิจตั้งมั่นดีแล้ว ในศีลทั้งหลายประกอบเนืองๆซึ่งความสงบใจจงมาประดิษฐานอยู่ในบนศีรษะของเราคือท่านท่านท่านท่า น, านยกย่องเชิดชูท่านเหล่านี้เราเห็นว่าก็นนที่ปัญญานะฮะนนที่ปัญญาแล้วก็มาสู่ความสงบมันก็เป็นผลจากการใช้ปัญญาก็มมีศีลก็เป็นผลมาจากการมีปัญญา คือเป็นภา้สูตรนั้นมีการเรียนรู้มากมีประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสมากต่างการคิดต่างการทำา่างการพูดมามากมีการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากมีการทรงจำได้มากมีความแม่นยำในหลักกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิษพิจารณาด้วยใจมีความรอบรู้มีความเข้าใจในสิ่งนั้นๆมาก นี้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็เป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ก็มีปัญญาผู้สูตรก็มีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีจิตตั้งมั่นดีแล้วนั้นเป็นทั้งสมาธิแต่ว่าท่านบอกว่าในศีลทั้งหลายก็หมายความมาทั้งศีลทั้งสมาธิรวมแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ยินดีในที่สงบสงัดเงียบความสงดัดความสงบต่างๆ ประกอบนึงเดือซึ่งความสงบใจหมายความพยายามทำใจคอนตนให้สงบแม้ในระยบทต่างเยินเดินนั่งนอนเนี่ยพยายามทำใจสงบถึงไม่สงบก็พยายามกํากับควบคุมเอาไว้ให้สงบอยู่ได้ตามสมควรคนอย่างนี้มันพร้อมที่จะพัฒนานะเป็นคนที่จะมี มีความพร้อมที่ธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดความพร้อมหรือว่าตัวความพร้อมเนี่ยก็คือศรัทธาคือความเชียนแล้คือสติแล้คือสมาธิแล้คือปัญญาเราจะเห็นว่าในกลุ่มเราเนี้ยคนเราเนี่ยมีครบหมดทั้งห้าข้อก็เรียกว่ามีความพร้อมที่จะพัฒนาไปในด้านต่างๆแต่ก็ยกย่องชื่นชมว่า จงมาประดิษฐานอยู่บนศีรษะของเราแล้วข้อ989ท่านบอกว่าปูใดประกอบหนึ่งเนืองซึ่งทมที่ทำให้เนินช้าทาให้เนินช้านะั่นคือตัณหามานาทิิที่จริงกิเลสทั้งหลายมันเดินช้าตรงนั้นนแหละทาให้เนินช้าเพราะว่ามันก้าวไปถอยกลับ ไม่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าก้าวก้าวไปก็ถอยถอยหลังก้าวไปก็ถอยหลังในสังสารวัฏก็สูงสูงต่ำตๆจากเทวดาพรวดลงมาตกนรกหายไปเลยอ่าบางทีก็ตกนรกทำดีขึ้นมาได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดไปไม่เท่าไรตายเอาไปตกนรกอีกละอันนี้ก็แสดงว่ามันมันเนิดช้าเพราะว่าตกอยู่ภายใต้อนานองกิเลส ตัณหาก็เนื่นชานะมานาก็เนิ่นชาทิฏฐิก็เนื่นชาเรื่อตัณหามานาทิฏฐิปัปปันจะทำคือทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเนิ่นชาซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่ประกอบด้วยอาธรรมที่ทำให้เนื่นชาแล้ว อละนะฮะละตัณหามาณทิฐิแล้วราตนามาณทิฏฐิได้แล้วยินดีในเรียมักซึ่งเป็นทางให้ถึงพระนิพพานอันไม่มีธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าหมายความในเรียมักมันเป็นการลดตัณหามาณทิฏฐิตรงไปโดยลําดับจนถึงหมดนะครับจนถึงหมดเพราะงั้นมันคนละเรื่องกันคือผู้ทาเป็นเหตุเนิ่นชามันเป็นผู้สมุทัยศัสตร์แต่เรียมักมันเป็นมรรคศาสตร์ อยู่คนละกลุ่มเนี่ยคนละฟ้ากันเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็ต้องดับไปอริมักเพิ่มขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยตน า, านามะนิติเนี่ก็ต้องลดไปอยู่ไม่ได้ทีนี้พ อ, อริมรรคสมบูรณ์กิเลส ก, ก็เกลี้ยงก็เป็นบริสุทธิท์จิตใจของท่านก็บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยความการุณาก็สู่เดิมนั่นแหละแต่ว่า เป็นการแสดงโดยปริยายต่างๆในโอกาสต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่ท่านก็รวบรวมเอาไว้ถึงเราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยก็สามารถนำมาเทศก็ได้เรียบเรียงเป็นหนังสือก็ได้แล้วก็ให้อมข้อความโดยไม่จำเป็นจะต้องเอามาทุกคำก็ได้ แต่อมข้อความเหล่านั้นไว้ทั้งหมดก็จะเป็นความเรียงที่มากโดยเนื้อหาสาระก็เป็นวิชาการทางศาสนาจริงๆก็ต่อไปท่านบอกว่าอันไม่มีธรรมทำห้เดินชาผู้นั้นย่อมได้บรรลุพระนิพพานอันเป็นแดนกเกษมจากโยขะอันยอดเยี่ยม เกษมคือปราศจากโยคะเกษมสุขนะฮะคือเกษมมันเป็นสุขเพราะไม่มีโยคะโยคะก็คือกิเลสที่ผูกมัดใจคนเอาไว้ก็มีอยู่สี่ประการกรมยยคะโยคะคือกามทิฏโคะโยคะคือทิฏทิฏโอคะนะฮะทิฏโอคะโอคะโยคะคือทิฏ แล้วก็ตวัตตะตวัตะกรมโอฆะเนี่ยกรมโมะทิฏโขฆะภะโขฆะนะภะโขะคือพบหรือความเป็นต่างๆแล้วก็อวิโชฆะโอฆะคือวิชาพวกนี้มันจะเรียกทั้งโอฆะทั้งโยฆะทั้งคันทะก็ ชื่อแต่และชื่อเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นนามธรรมพอในจิตเกษมตะโยฆาเนี่ยโยคะเขมังอนุตรังแปลว่าจิตเกษมจากโยฆะอย่างยอดเยี่ยมหมายความว่าจิตปราศจากกิเลสก็พูดถึงนิพพานท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งน ะ, ะว่า พระเทศเราเานี่ยท่านทํางานตลอดตั้งแต่บรรลุมกุฎเป็นประหานมาประเทศสอนั่งสอนประชาชนวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คงเยอะนะฮะเพราะว่าคนก็ตื่นเต้นกันที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกทีนี้พุทธยาก็ประทับอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็มีมีพุทธกิจทํามากมายมหาศาลเหมือนกันวนภาษาบกกกระจายไปเป็นการแบ่งเบา ภาระของพระพุทธเจ้ามีการถามปัญหามีการสนทนามีการแลกเปลี่ยนกันมันเป็นเป็นวิถีที่ไม่ค่อยมีรูปแบบหรอกคือหมายความมามองกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจะตายดียกันทั้งหมดทั้งสิน้นพระท่านไม่มีอัตตาตัวตนอะไรที่จะไปถืออะไรไปแบกเอาไว้แล้วชาวบ้านเองก็จะมาอย่างผู้ใฝ่รู้หรือใฝ่ทม มาพบปะมาสนทนามาแลกเปลี่ยนกันเพราะจริงๆถ้ามีการบันทึกเอาไว้ได้คราวนั้นนะนะโอ้คำสอนในคงหาสารนี่จริงเลยนึกดูที่ว่าสอนกันมาแล้วก็บันทึกกันไว้ตลอดเนี่ยแล้วก็สอนกระจายอยู่ในที่ต่างๆแล้วก็จำนวนเนี่ยจานวนผู้สอนนี่มันจะเยอะ วันธาทุกครั้งก็เรียกว่าอาจเทพไว้แล้วก็มาคัดลอกไวนี่จะปิดจำนวนมหาศาลจริงๆแต่ว่าธรรมะ ก, ก็คือธรรมะจะมากหรือน้อยก็คือหลักของอริยสัจสีนั่นแหละเราอธิบายระดับเราปฏิบัติระดับศีลสมาธิปัญญา หรือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลได้สมบูรณ์การทำิีได้ผ่องแผ้วมันก็ถาสมบูรณ์มาก็ถึงที่สุดแท่งทุกแล้วเรื่นี้จึงถือว่าเป็นปริยายคือนิยต์ของเทศนาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นเองต้องฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไ้บูรณ์ในธรรมจึงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี